ทีนี้เรารู้แล้วว่าความเคยคุ้นเป็นเรื่อง สำคัญนะเวลาอยู่จะบอกว่าอยู่เฉยๆหรือรออะไรนะ mm. ก็อยู่กับสมาธิเอาไว้นะครับสร้างความเคยคุ้นเอาไว้นะให้มาคุ้นกับความสงบั้างอย่าให้คุ้นกับการที่นั่งคิดเมอเออล่องลอยไปเรื่อยๆทีนี้ถ้าเราอยู่ในฝ่ายนั้นซึ่งเราอยู่อยู่แล้วนะ เราเป็นอยู่ยังฝ่ายนั้นมาตลอดทั้งชีวิตอยู่แล้วจะทำยังไงถึงจะออกจากตรงนั้นได้ก็คือต้องมาสร้างให้มันมาคุ้นกับสติสมาธิแทนเรื่องเบื้องต้นก็มีเท่านี้ส่วนความตั้งมั่นของจิตที่แนะนำไปโดยพื้นฐานจริงๆมันมาจากเมื่อจิตปราศจากกาม ป่จาจะจากทํามันเป็นอกุศลแล้วก็วางจิตเอาไว้ถูกต้องจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาเองทีนี้ปัญหาก็คือว่าการที่บอกว่าการลากกิเลสนั่นแหะคืออะไรทํามันเป็นอกุศลที่เกิดขึ้นในจิตในใจวันนี้ก็พอจะได้ยินไปบ้างคืออะไรสิ่งเหล่านี้จะทําให้จิตไม่ตั้งมั่น จิตจะไหลไปในเนื้อเรื่องเมื่อนั่งคิดอะไรก็จะคิดแล้วก็ไหลลงไปในเนื้อเรื่องไม่ได้เห็นว่าเป็นเพียงสังขารที่ปรงแต่งเกิดขึ้นแล้วดับไปไม่เห็นอย่างนั้นแต่จะกลายเป็นหลงลงไปในเนื้อเรื่องสุขทุกข์วงไปในเนื้อเรื่องนั่นคือลักษณะของการไหลผู้ที่จิตตั้งมั่นจะเห็นเป็นเพียง ความคิดหรือสังขารที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่ได้มีสาระอะไรให้ยึดถือให้เป็นทุกข์เป็นสุขอะไรของเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปเมื่อจิตเริ่มถอดถอนปล่อยวางเบื่อหน่ายครายความยึดจะเริ่มพ้นทุกข์เป็นลาดับลาดับ ยคีทุกท่านเตรียมตัวกราวอาจารย์ค่ะกล่าก็เป็นคืนวันแรกของการปฏิบัติเวลาเราพูดว่าคืนวันแรกก็จะดูว่าจะมีอีกหลายวันบอกถพรุ่งนี้เราก็จะบอกว่าคืนวันสุดท้าย เร็วมากนะเร็วจริงๆแต่แค่วันแรกก็เหลือเฟือแล้วปูนจริงนะยังไม่พ้นคืนเลยยังไม่ต้องพ้นคืนเอาแค่ที่อธิบายไปวันแรกเนี่ยเอากลับไปทําต่อได้อีกสิบปียังไม่รู้จะลาความเห็นผิดได้หรือเปล่าเอาแค่ที่ได้ไปนเนี่ยตั้งแต่ ฝึกให้จิตตั้งมัน่นทีมงานผมนถ้าผมเนี่ยผมสอนฝึกให้จิตตั้งมัน่นผมไปทำสามปีไม่ต้องรีบแต่จริงๆห้าวันก็รู้แล้วจิตตั้งมั่นคืออะไรแต่ไปสร้างความเคยคุ้นสักสามปี จากนั้นมันจะเข้าไปอยู่ในเลือดในเนื้อในกระดูกคือไม่ต้องทำจากจงใจทำเจตนาทำมันจะกลายเป็นธรรมเป็นอัตโนมัติโดยไม่ต้องเข้าไปทำจะเป็นอย่างนั้นได้คือต้องเข้าไปอยู่ในฝั่งของอุศลต้องเข้ามาอยู่ในฝั่งของการดาเนินชีวิตแบบอริยมรรคแล้วจะเร็วมากนะ มีสัมมาอาชีวะท่านที่มีสัมมาอาชีวะสามารถเข้ามาอยู่ได้ตามข้อวัดเนี่ยมีข้อวัดในการใช้ชีวิตบ้างเช่นอะไรเอาล่ะสมมติว่ามีคนที่สามารถทำได้หรือว่าท่านที่บวชนะเป็นอุบาสิกาอย่างที่นั่งกันอยู่ยลองดูว่าเราแต่ไม่ต้องห่วงนะคารวาททำได้อยู่แล้ว ทีนี้มันอยู่ที่เราทําหรือเปล่าแล้วเราทํำไหมสมมติว่าข้อวัดคือตื่นแต่เช้าจะเช้าแค่ไหนก็แล้วแต่ท่านก็นแล้วกันตามวัดเนี่ยง่าตฐาน average เลยทุกวัดเนื้อตีสถ้าวัดป่าก็ขยับเป็นตีสามตีสองก็ว่ากันไปแล้วแต่แต่ A อฟเวอรของวัดทั่วๆ่วไปก็แล้วกันหรือศูนย์ปฏิบัติธรรมทั่วไปอยู่ที่ตีสีไม่ไม่ค่อยเกินไม่ค่อยขึ้นมามากอะ่ะ เพราะว่าเดี๋ยวเขาก็ไม่ไหวแล้วก็มานั่งหลับเปลาๆแต่ตีสี่นี่คือมาตรฐานทีสี่ตื่นมาทำอะไรก็ล้างหน้าล้างตาลุกขึ้นมาจากเตียงถ้ตีสี่ขึ้นก็เสร็จแล้วล้างหน้าล้างตาแต่งตัวเรื่องอะไรก็แล้วแต่ตีสี่ครึ่งใครมีห้องพระก็ห้องพระ ชีก็ไปที่โบสถ์ที่ศาลาสวดมนต์ตอนเช้าแรกๆ ก, ก็จะรู้สึกอาจจะจะบอกว่าเบื่อจะบอกว่าไม่อยากทําก็ได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ทําโดยที่มีใจที่จะทำํำข้ามใจตัวเองไปหาข้อวัดไอ้คําว่าใจคือข้ามกิเลสนะที่ปรุงแต่งไม่อยากทําเบื่อเนี่ยทำ จนกระทั่งมีความสุขเล็กๆที่ได้ทำอยู่กับความสงบจนมีความสุขเล็กๆผมใช้คำ ว, ว่าสุขเล็กๆคือไม่งั้นมันจะกลายเป็นสุขแบบที่เรารู้จักเหมือนกับได้ iPhone สักเครื่องไม่ใช่มไม่ใช่อย่างนั้นมันจะกลายเป็นความสุขเล็กๆ เ, เรียกว่าโสมนัสอารมณ์จะหล่อเลี้ยงความรู้สึกในใจ จะมีความรู้สึกเหมือนถ้าวันไหนไม่ได้ทำเนี่ยมันเหมือนขาดอะไรไปอย่างหนึ่งเลยมันจะเกิดสิ่งนี้ขึ้นมานี่ไม่ใช่ความยึดมั่นถือมั่นนะอย่าเข้าใจผิดจิตใจเนี่ยเริ่มเข้ามาอยู่ในฝั่งของกุศลถ้าถึงตรงนี้แล้วเนี่ยจะเริ่มเริ่มง่าย่ะเริ่มง่ายละ เพาะจะเห็นเลยว่าสุขที่แท้จริงคือสุขจากความสงบไม่ใช่สุขที่ถูกกระตุน้นตรงนี้คนคนนั้นจะเริ่มเห็นความจริงแล้วเมื่อเขาเห็นความจริงแล้วเขาจะไม่อยากออกไปถูกกระตุ้นด้วยสิ่งเหล่านั้นอีกจะไม่ยอมที่จะทำอะไรเพื่อให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาในใจจะไม่ยอมทำผิดโดยอัตโนมัติ เมื่อเข้ามาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยทําตามข้อวัดอยู่กับความสุขในความสงบแล้วเนี่ยไม่ต้องถามเรื่องสมาธิจากนั้นรับประกันได้เลยสวดมนต์เสร็จนั่งหลับตาเนี่ยสงบตั้งมั่นเลยเนี่ยที่พระเจ้าบอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามปราศจากกามจิตเนี่ยนะปราศจากกามคือการที่ยอมยอมตามใจตัวเองเรียกว่ากามสุขานิการนุโยกเนี่ยคือประกอบตนด้วยความไข้ในกามเี่ย ทางตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยเสพแต่อยากจะได้จัตกการกามเอยากจะกินของอร่อยอยากจะไปอยากจะดูอยากจะได้ยินพวกนี้จิตไม่มีสงบมานั่งให้ตายก็ไม่มีสงบถึงวินาทีก่อนตายก็ไม่สงบคติหวังไม่ได้ทําท่าจะพลาดทุกคติภูมิเมาเพราะทำไมฉันเป็นอย่างนี้ ขณะนั้นจัดใจสั้์สายเต็มที่เพราะฉะนั้นทุกขติภูมิมีโอกาสเป็นไปได้สูงมาเป็นมนุษย์ชาติเดียวแต่ถ้าทำไปเรื่อยๆอยู่กับข้อวัดจนกระทั่งกลายเป็นความชุ่มเย็นจะเกิดปีติหลอเลี้ยงตลอดเวลาจากนั้นจะไม่อยากทำบาปทำชั่วทำผิดทำพลาด ถ้าต้องโกหกสักคำหนึ่งถ้าต้องพูดปลดสักคำหนึ่งต้องไปพูดโกงเขาสักคำหนึ่งเพื่อให้ได้สิ่งนั้นมาแล้วก็เกิดโลภะและใจต้องมาเป็นแบบนี้ไม่เอาอีกแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดสัมมาทิฏฐิขึ้นมาเนี่ยสัมมาต่างๆจะตามกันมาเองจากนั้นเมื่อจิตตั้งมั่นขึ้นมาก็จะเริ่มตื่นข้างในจะเริ่มตื่นพอตื่นก็จะเริ่มเห็นความจริง มันเหมือนคนผงะแล้วตื่นขึ้นมาเหมือนกับคนกำลังเล่นเล่นเกมแล้วก็พผงะตื่นขึ้นมาเหมือ น, น, น, น, น, น, น, นเด็กที่นั่งเล่นฝาเบียร์กันกำลังหลงอยู่ในฝาเบียร์แล้วก็อยู่ยุ่งตื่นขึ้นมานี่ทำอะไรเรานั่งเล่นอะไรอยู่เนี่ยเรากำลังบ้าอะไรอยู่เนี่ยชีวิตของเรากำลังนับถอยหลังจะตายอยู่แล้วเนี่ยไม่เอาแล้วใครจะเอาก็เอาไปเหอะจากของมีค่าที่คนกําลังแย่งกัน เ, นเอาไปเหอะฉันไม่เอาละ ตื่นขึ้นมาไอย้ยางที่ใครจะไปสอนใครได้นอกจากคนคนนั้นจะตื่นขึ้นมาจริงๆจากข้างในเนี่ยจากการเข้ามาอยู่ในฝั่งกุศลเอาไว้จากนั้นก็จะเริ่มเห็นความจริงเข้าไปเรื่อยๆนะที่เรากำลังจะพูดกันต่อไปเอาละสำหรับในคืนแรกนะในหลักสูตรพื้นฐานผมก็ไม่อยากจะข้ามไปไกลจนกระทั่ง คือถ้าให้ผมพูดต่อในแบบหลักสูตรเข้มเลยเนี่ยก็ได้นะแต่เอาไว้ก่อนแล้วกันคือให้เป็นพื้นฐานบ้างเพราะก็มีคนที่ไม่เคยปฏิบัติก็ดีคนที่เข้ามาใหม่ก็ดีนหรือมาเป็นครั้งแรกก็ดีเราก้าวไปพร้อมๆกันส่วนคนที่เคยมาแล้วเคยดูแล้วเคยฟังแล้วผมก็เชื่อว่าก็เคยดูแล้วกันมาทั้งนั้นะที่ผมเปิดให้ดูเนี่ยแต่มุมมองในวันนี้มันก็เห็นอีกมุมมองหนึ่งที่มันเปลี่ยนไปจริง ถ้นั่งฟังเออเรื่องนีจ้จริงๆฉันก็ฟังตั้งนานแล้วนะเรื่องกุศลอกุศลที่อาจารย์เปิดเจ็ดกูรูเนี่ยหรือถ้าจะผมจะเปิดเจ็ดกูรูอีกกี่เรื่องก็ได้ถ้าผมสาธยายเพิ่มเนี่ยก็จะเห็นมุมมองที่เปลี่ยนไปหรือแม้แต่ที่เรากำลังจะเปิดเดี๋ยวเราจะเปิดเรื่องกฎแห่งกรรมผมว่าคนที่มาเข้าคอร์สผมพื้นฐานก็เคยดูแล้วทั้งนั้นนะเผาแมวบ้างอะไรบ้างอาจจะได้ยินสิ่งที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนก็ได้นะ เพราะฉะนั้นพอเราเริ่มเข้าใจความจริงเนี่ยมุมมองเนี่ยในการปฏิบัติเนี่ยมันจะกระชับแล้วก็รัดสั้งแล้วท่านจะเข้าใจเองไม่ต้องมีใครมาบังคับไม่ต้องมีใครมาบังคับวันนี้หลักสูตรบอกว่าหกโมงเย็นสวดมนต์ตีสี่ตื่นตีสี่ครึ่งถึงตีห้านั่งสมาธิมันก็มีรูปแบบไปเพื่อเป็นข้อวัดไว้ก่อนหลังจากนั้นพอเราเริ่มทำจนเป็น เป็นประจําเป็นนิสัยขึ้นมามันจะเกิดซึมซับเข้าไปเองถ้าไม่นำทำก่อนในการปฏิบัติทั้งหมดเนี่ยเป็นการนำทำก่อนเพื่อวันข้างหน้าเราจะทําเองได้เพราะฉผู้ที่มาเข้าคอสปฏิบัติต้องนาทำนำทานาทากันตลอดเนี่ยบางทีมันไม่ค่อยก้าวหน้านะผมบอกจิงพอมันนานๆแล้วเนี่ยนะไปอยู่ในสถานที่ที่ สมมติว่าเกาะพะลว ย, ยมีสถานที่บอกไว้ว่าตีสี่ตื่นทำว่าสวดมนต์แล้วก็ทางข้าวจากนั้นภาวนาเองตอนเย็นสวดมนต์ฟังธรรมทีนี้พอภาวนาเองก็อยู่กุฏิทำไมนอนพักตอนนี้แหละ ท่านก็กลับไปตามความเคยชินแต่ท่านจะเริ่มรู้สึกขึ้นมาว่านี่เรามาทําอะไรแล้วก็ลุกสะบัดขึ้นมาเดินจงกรมนั่งสมาธินี่แหละของจริงแนะ่ะทุกวันนี้เราต้องทําตามตาลางที่เขาบอกแต่ถ้าเมื่อไหร่เราลุกขึ้นมาเองอยู่บ้านมีคนข้อระครังไหมล่ะไม่มีดีสี่ ถ้าท่านลุกขึ้นมาเองเดินเข้าห้องพระทำวัดสวดมนต์นั่งสมาธิสังเกตใจที่เคลื่อนไหวเห็นความจริงตามความเป็นจริงถ้าอย่างนี้นะยิ่งกว่าคนที่อยู่ภายใต้กฎเกณฑนะ์เพราะฉะน้นต้องเป็นที่พึ่งเป็นสรณะของตัวเองให้ได้ พระเจางบอกว่าอานนท์เธอจงมีตนเป็นที่พึ่งจงมีตนเป็นประทีปจงมีตนเป็นสารณะจงมีธรรมเป็นประทีปมีธรรมเป็นสารณะอย่าเอาสิ่งอื่นเป็นสารณะเพราะฉะนั้นจะต้องมีตนเป็นที่พึ่งให้ได้มีธรรมเป็นที่พึ่งในใจของตัวเองไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสารณะไม่ยึดใคร มันไม่มีใครให้หยุดการละความเห็นผิดมันละที่ในใจของเรานี่แหละไม่ได้ไปลกที่ใครใครก็ได้แต่บอกใครก็ได้แต่บอกนำสอนให้กำลังใจทำได้แค่นั้นเหมือนเรานอนป่วยอยู่บนเตียงมีคนมาให้กำลังใจแล้วเขาช่วยอะไรได้เขามายืนอยู่ข้างๆสู้ๆนะอย่ายอมแพ้นะอ่ ะ, อะแล้วมันไปนกระตุ้นที่ไหนกระตุ้นที่ใจเราเอง อันนั้นสําหรับพวกคนขาดไม่ใช่ขาดนะคนขาดขอไข่สาร า, าเด็กคนขาดคือคนไม่เต็มต้องการแรงจูงใจต้องการคําพูดต้องการการกระตุ้นพวกนี้ใจขาดใจขาดแบบนี้ต้องมีคนมาช่วยเติมลูกแงพวกนี้อินทรีย์อ่อนลูกแงแต่ถ้าอินทรีย์แก่ แก้ไขปัญหาสู้ใจเด็ดเดี่ยวตายเป็นตายไม่มีถอยตั้งแต่วันที่ผมปฏิบัตินั่งปวดขาจนวันที่บวดจนปฏิบัติไม่ว่าจะท้อไม่ว่าจะหมดแรงไม่ว่าจะอะไรก็ตามมีคําเดียวตายเป็นตายไม่มีคําอื่นมีคําเดียวตายเป็นตายรู้อย่างเดียวว่าเกียร์ว่างมีเดินหน้ามีไม่มีเกียร์ถอยหลัง ถ้าถอยหลังก็เห้มัตายไปเลยเหนื่อยพักได้พักแล้วเดินต่อไม่มีถอยถ้าเราจะเร็วจะชั่วจะทำบาปมามากถ้าองค์คริมานพ้นไปได้ผมรู้สึกเลยว่าผมพ้นไปได้ถ้าท่านพ้นได้ท่านทำมากกว่าผมถ้าท่านบรรลุได้ผมก็ต้องเดินตามทางเดียวกันได้ผมรู้แค่นี้เพราะฉะนั้นไม่มีถอย ไม่ว่านั่าจะผ่านมาแล้วสองพันกว่าปีก็ตามถ้าเส้นทางแห่งอริย ม, มรรคยงแปดยังมีอยู่จริงทุกคนต้องพ้นได้ถ้าคนคนนั้นทําจริงๆผมพูดอย่างนี้เพื่อไปกระตุ้นกําลังใจสู้ๆเอาแล้วทีเนี้เอาจริงนะ้ผมให้ได้ยินคํานี้มาเยอะแล้วแล้วไม่เคยเห็นความสําเร็จของใครอ้าวยังไงอาจารย์ตรงนี้ให้กําลังใจหร้ออยังไงจริง ท่านเคยเห็นคนอ้วนประกาศใน Facebook. เฟซบุ๊กไหมเขาจริงละฉันจะไม่กินละเค้กเค้กเนยนมไม่เอาละพุ่งนี้นะพุ่งนี้ไม่กินละผมเห็นคนที่ประสบความสาเร็จเนี่ยไม่มีพุ่งดีถ้าพูดแล้วทำเลย เอาละอาจารย์ตั้งแต่พรุ่งนี้จะฝึกมีสติทำไมไม่รู้ลมตั้งแต่ตอนนี้ทำไมต้องพรุ่งนี้เพราะคนเหล่านี้ฝึกมาตลอดร้อยปีร้อยชาติที่ผ่านมาคือผัดวันประกันพรุ่งคนพวกนี้ชาตินี้ก็จะเป็นเหมือนเดิมเกิดชาติหน้าถ้าได้พบพระพุทธศาสนาอีกก็จะทำได้เท่าที่ทำจะทำไม่ได้มากกว่านี้ เพราะมันเคยเป็นอย่างนี้มาก่อนแล้วมันก็ชินไปอย่างเงี้ยว่าชาตินี้วาสนาเราคงน้อยว่ะท่านพูดอย่างนี้มาตั้งแต่พระพุทธเจ้าองค์ที่แล้วแล้วแล้วก็ไม่ทาอะไรให้มันเบ็ดเสร็จเด็ดขาดได้สักอย่างเหยาะแยะขี้ไกลนะ่ลูกแงอินรีอ่อนผมเคยมีศิตน้องบวช ด, ด้วยกันเฮ้ยไม่ใช่อินทรียอ่อนพี่ อินรียอ่อนเนี่ยอินรีย์เนี่ยตัวใหญ่ต้องเรียกกระจอกอ่อนมันจะมีระดับเนี้ยมีกระจอกอ่อนแล้วจะมีกระจอกแก่แล้วจะมีอินรีย์อ่อนแล้วถึงจะถึงอินทรีย์แก่นะพี่บอกเออเรื่องเป็นอะไรกระจอกอ่อนนะก็จะถึงอินทรีย์อ่อนเนี่ยต้องผ่านกระจอกแก่ก่อนถ้างี่ไหลาชาตดเลย อีกหลายชาติอย่าเป็นเลยกระจอกอ่อนกระจอกแก่อะไรเนี่ยนะฝึกที่จะข้ามใจตัวเองนะนั่นน่ะรัะกิเลสเพียนเพ่งเผากิเลสก็นี่แหละเรียกเพียนเพ่งเผากิเลสถ้าจะเรียกนะเพียนเพ่งเผากิเลสอ่ะเรามาดูสื่อที่เราก็จะเปิดกันในคอร์สพื้นฐาน ฉันรู้สึกร้อนเมื่อร้อนตัวยังไงก็ไม่รู้คื อ, อพี่ฉันขอพักสวรรค์แล้วกันนะตอนแรกเริ่มกระตุ้มอาการไม่ดีมีไข้แล้วก็มีขัดต้าอกบ้างปวดตามเมื่อตามตัวแล้วก็คันฉันว่าอาการมันชักไม่ค่อยดีแล้วนะพี่เรียฉันร้นร้อนขอ้างใตัวยังไงก็ไม่รู้啊 เป็นผืนเหมืนอนตะไคคอกนี่ดำๆเป็นเกลียมไหมเลยนะแหะได้อาพัดลมเป่าตามตัวตามต้นบวมตึงขึ้นเลยรอนรออ้รอดร อ, ร อ, รอ หลังจากที่เรืองลงมือจุดไฟเผาแมวทั้งเป็นจนมันเสียชีวิตอย่างทรมารเวลาแค่ไม่ถึงเดือนจูๆ่ๆเรืองก็ล้มป่วยลงด้วยโรคประลาดที่หาสาเหตุอะไรไม่ได้เลยวิบากกรรมที่เรืองกำลังเผชิญอยู่นั้นจะหนักหนาสาหัสแค่ไหนติดตามชมกันต่อช่วงหน้าครับตตามามช เมื่อช่วงที่แล้วเราได้ถ่ายทอดประสบการณ์กันมาจนถึงตอนที่เรืองผู้ที่เป็นน้องชายต้องประสบกับวิบากกรรมครั้งใหญ่ในชีวิตซึ่งเป็นผลทําให้จันทร์ต้องสำนึกเสียใจมาจนถึงทุกวันนี้บางทีถ้าคุณชมเรื่องราวของจันและเรืองจบลงคุณอาจจะหาคําตอบได้นะครับว่าใครกําหนดชะตาชีวิตของเรากันแน่เป็นอะไรไปไวะไอเรือง ตัวเองเหมือนกระโดนไฟไหม่เงี้ยฮะเอร้อน้อร้อนแมต้องไปหาหมอแล้วล่ะอ า, า, านขนาเนีย้ช่วยด้วยโอ้ยรนร้อนอร้อนฉันร้อนเยแกก็บอกว่าร้อนแดงออกร้อนในปกในวงในทองในนั่นแหละแกก็บอกว่ามันเหมือนกรตายต้งเป็นว่างนเนอะแต่ละพละารทะขาแะมือหน้าตาเปลี่ยนคนละคนเลย เด็กพรนะครับเดนะครับคุณเป็นแบบตอนัคุณไิงเดียสะพัดเลยหรอหมอครับน้องอเป็นไงบ้างครับอบอกว่าเป็นโรคปอดคนไทยเป็นโรคปอดคันดุนแดงไม่รู้เล มันมันเหมือนโรกแมว้านใกล้จะตายเขาอาจจยากแบบแจนนี่ว่าโป่งลงโปงขึ้นเหมือนกับแมวที่มันร้อนนั่นแหละเนื้อเป็นไงเรือเออนไว้อ้โนไวโอ้ตอนนี้กำลัง่อย ร้อนตายแล้วแคปล่อยไปเลยไม่ไม่จับไปเลยถ้าคิดได้เหมือ น, นเดียเ๋ยวนี้ไม่จับเขาไม่ทำำํากรรมําเป็นกับเขาถ้ารู้ว่าจะเป็นอย่างนี้จะปล่อยไปเลยไม่ทํากับเขานี่คือคําพูดของคนในโลกจริงๆถ้ามันพูดได้ก่อนหน้านี้ ถ้าได้คิดได้ก่อนหน้านี้คิดให้ถูกได้ก่อนหน้านี้เหตุการณ์นี้ก็จะไม่เกิดขึ้นแล้วพอเขาตายแล้วทำเขาจนตายไปแล้วแล้วมาพูดอย่างนี้เราจะเห็นมือปืนเห็นคนทำผิดเห็นคนนู่นนี่แล้วไปขอขามาศกขอโทษที่ทำ เพราะมันยับยั้งชั่งใจเอาไว้ไม่ได้เลยมันห้ามใจตัวเองในขณะที่กำลังเกิดโลภะโทสะโมหะไม่ได้เลยขณะที่ความโลภเกิดขึ้นความหลงเกิดขึ้นความโกรธเกิดขึ้นมันไม่มีอะไรจะยับยั้งชั่งใจเลยที่ท่านกำลังนั่งอดทนเนี่ยผมถึงบอกว่าท่านไม่รู้หรอกว่ามันอดเดียวกันมันอดทนเดียวกันมันอดกลั้นเดียวกันกับการที่เราจะต้องนั่งอยู่อย่างนี้ หนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงอดทนอดกลั้นมันอดกลั้นเดียวกัน เจ็ห้าวันแกก็เลยไปเสียใจไม่พอตอนนั้นทำไปก็เสียใจอยู่ก็โทษไ่ออกเหนกันนั่นแหละเขาว่ามันได้ทาไปแล้วก็ขอโทษขออะไรก็าขอไม่ได้แล้วมีแต่อุทิศพ้บุญไปให้แล้ลยยวิบากกรรมเราได้ยินคํานี้มาตลอด วันนี้เราก็ได้ยินเรื่องที่มีหมอดูหมออะไรแย่ะแก้กรรมสะดอกเคราะกันมากมายนะวิปากกรรมเกิดขึ้นมาได้ไงถ้าท่านเห็นความจริง ของใจของเราสมมตินขณะที่คนกําลังจะฆ่าแมวมันจะเกิดความคิดขึ้นมาก่อ น, นเกิดความคิดที่จะทําขึ้นมาก่อนจะเริ่มวางแผนในใจในความคิดของตัวเองเพราะฉะนั้นขณะนั้นในใจของเขาจะหลงวนอยู่ในโลกความคิดที่จะทําบาปทําชั่วครั้งนี้ แพนั้นพวกที่โกงคอร์รัปชันหรือทําบาปทําชั่วอะไรก็ตามหรือใครจะโกหกพ่อแม่ไปเที่ยวใครโกหกแฟนหนีไปเที่ยวไปมีกิ๊กคุยกับคนอื่นมันจะมีการวางแผนอยู่ในใจซึ่งแค่วางแผนนั่นก็ทุกจะตายอยู่แล้วแต่เขาไม่เห็นมันกลัวคนอื่นจะรู้เพราะฉะนั้นการวางแผนเนี่ย คนอื่นจะรู้แต่เราเองนะ่รู้เต็มๆการจะทำบาปทำชั่วเนี่ยมันทำอยู่ในใจของเราก่อนขนาดนั้นน่มันเต็มไปด้วยการเผารน่นนรกเกิดขึ้นแล้ว น, ะนรกยังไม่ทันเริ่มฆ่าเลยนรกเกิดขึ้นแล้วจากนั้นพอเห็นแมวก็ทำตามที่ใจดำริเอาไว้ก่อน อาจจะหลงเพลิดเพลินสนุกสนานเพราะหลงเข้าไปแล้วก็ทำร้ายแมวเดี๋ยวก็จะเห็นทุกอย่างจะบันทึกอยู่ในนี้ทั้งหมดตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งลงมือหลังจากการกระทำนั้นอาจจะสนุกสนานเพลิดเพลินเพราะความหลงก็ตามหัวเลาะชอบใจแต่มันเต็มไปด้วยความเล่าร้อนเรียกว่าวิปัิสันคือความเดือดเนื้อร้อนใจได้เกิดขึ้นแล้ว <c oughs> ความเดือดเนื้อร้อนใจได้เกิดขึ้นแล้วใจมันเริ่มร้อนเป็นไฟโดยที่เขาอาจจะไม่รู้ตัวด้วยซ้าเวลาท่านโกรธใครด่าก็ออกไปแล้วเนี่ยท่านรู้ไหมว่าท่านได้โกรธหน้าแดงเหงื่อแตกมือไม้สั่นมันเป็นไปตามอัตโนมัติอย่างนี้ก็เช่นกันเมื่อมันเกิดความเป็นอัตโนมัติมันร้อนอกร้อนใจไปหมดเนี่ยเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายเนี่ยมันจะเริ่มเผาตัวเองเวลาท่านโกรธใครหน้าแดงไหมล่ะแดง เืิดแตกหน้าแดงแล้วถ้าทำผิดมากกว่านี้ี่ยผมเบิ้นเป็นสามเท่าท่านจะหน้าดแดงขึ้นไปอีกโกรธมือไม้สั่นขึ้นไปอีกสามเท่าขณะนั้นเซลในร่างกายจะเผาตัวเองอย่างรุนแรงนี่เซลในร่างกายเผาตัวเองเลยจากความโกรธความแค้นที่อยู่อยู่ไปทำหลังจากนั้นเนี่ย มันเกิดจากข้างในเนี่ยเรื่องเรื่องเนี่ยมันเริ่มต้นจากข้างในทั้งหมดเนี่ยใจของเราเนี่ยมันเริ่มต้นจากที่นี่ส่งผลไปที่กายรูปนามเนี่ยมีธรรมชาติที่ดึงดูดกันแล้วก็ผลักกันทุกรูปนามที่กําลังนั่งอยู่ที่นี่เนี่ยมีผลต่อกันทั้งหมดเลยแล้วก็กระแทกออกไปสู่ข้างนอกสู่สังคมสู่จากครอบจากครอบครัวสู่สังคมสู่ประเทศสู่โลกใบนี้มีผลต่อกันทั้งหมดมีผลต่อดินฟ้าอากาศมีผลต่อทุกอย่าง ทีนี้เมื่อใจที่เป็นอกุศลบาปชั่วที่เกิดขึ้นในใจจะเริ่มดึงของชั่วๆเร็วๆ เ, เข้าหาล่ะนี่คือธรรมชาติคนบาปชั่วเร็วจะเข้าไปอยู่กับคนบาปชั่วเร็วคนนิสัยลามกจกกระเปดแบบไหนก็ตามจะเข้าไปอยู่รวมกันนี่เป็นธรรมชาติที่พู้เจ้าตรัสว่าธาตุเดียวกันจะเข้าไปอยู่รวมกัน ท่านไปสังเกตได้เลยคนดีไม่มีนั่งคุยกับคนเลวได้นานพราะเริ่มรู้สึกว่าอะไรพูดอะไรกันเนี่ยแล้วหลังจากนั้นก็จะเริ่มออกไปท่านมาอยู่ด้วยกันเนี่ยก็มานั่งคุยกันได้แป๊บเออเธออัธยาศัยเดียวกันแต่ในเดียวกันเดี๋ยวก็จะแบ่งเป็นรายละเอียดออกไปไม่ชอบคนนี้ชอบคนนั้นถูกใจคนนี้ไม่ถูกใจคนนั้นก็จะเริ่มตึ้งตึ้งตึ้ตึงต้งตึงตงตงตงแ้แยกกันออกไปเป็นกลุ่มเป็น เข้ากับคนนี day, ้ไม่ได้เข้ากับคนนี้ได้ทั้งทังที่ถ้าเอาแต่ละคนมาดูเป็นคนดีอ่ะสมมติว่าเป็นคนดีกันหมดเลยทุกคนแต่พอเข้าไปอยู่รวมกันก็อยู่ไม่ได้คนนี้อยู่ไม่ได้กับคนนี้คนนี้อยู่ไม่ได้คนนั้นทั้งทั้งที่แต่ละคนก็เป็นคนดีมีเจตนาดีมีอัธยาศัยที่ดีทุกคนแต่พอมัอยู่ด้วยกันอยู่ไม่ได้ที่มีภิกษุรูปหนึ่งนั่งกับพระพุทธเจ้าขณะที่นั่งอยู่พระพเจ้าก็บอกว่าภิกษุ เธอเห็นพระสารีบุตรกําลังนําเดินจงกรมไหมพิสูกุก็มองไปก็เห็นพระเจ้าค่ะอืมเธอรู้ไหมคนที่เดินตามพระสารีบุตรนั้นเป็นผู้มีปัญญาทั้งนั้นเลยเธอเห็นโมคขลานะกําลังเดินนําเดินนะเห็นพระเจ้าค่ะคนที่เดินตามโมคขล า, น, านะน่ะเป็นผู้มีฤทธิ์ทั้งนั้นเลยเห็นคนเดินตามพระอานนไหมยพวกนั้นเป็นพระหูสูตร ใครมีอัธยาศัยยังไงก็จะชอบเข้าไปได้ยินได้ฟังเรื่องแบบนั้นแบบนั้นให้คนอื่นเข้ามานั่งฟังนมันพูดอะไรของมันเนี่ยพวกนี้นั่งฟังกันได้ยังไงชั่วโมงไม่พูดอะไรเลยจะบ้าหางกันใหญ่แล้วเนี่ยอย่างเงี้ยพวกเราโอ้อาจารย์อาารพูดอีกอาจารย์พูดอีกพูดไม่ไหวแล้วพูดมาหลายปีแล้วโอ้ <c oughs> จะจะเลิกพูดกันอยู่แล้วเนี่ย ผู้เจ้าก็บอกว่าสรุปให้ฟังยังไม่จบตอนท้ายก็มีเธอเห็นอพระเทวทัตนะมีคนเดินตามเทวทัตนะเธอรู้ไหมว่าเทวเทวทัตเนี่ยเป็นคนนิสัยท่านอัธยาศัยลามกคําว่าลามกของท่านอาจจะเป็นแบบแบบนั้นนะนะไม่ใช่ไม่ใช่แบบที่เราคิดคนที่เดินตามเทวทัตเนี่ยเป็นคนอัธยาศัยลามกทั้งท่านเลยคือเห็นความผิดเป็นถูกเห็นเรื่องผิดเป็นเรื่องถูก เป็นมิจฉาทิฏฐิพูดง่ายๆเพราะฉะนั้นธาตุเดียวกันจะไปอยู่รวมกันแล้วพออยู่รวมกันทําไมอย่างทำไมเขาไม่รู้หรอว่านี่เป็นสิ่งไม่ถูกเพราะมันจะเกิดอุปทานหมู่เมื่อเกิดอุปทานหมู่ทุกคนเข้าไปชอบสิ่งเดียวกันมันจะอวยกันเข้าใจแยงท่านเห็นสํานักสํานักที่มันเห็นอยู่แล้วจ้องๆว่ามันทําผิดเนี่ย ว่ามันเป็นไม่ช้าทิถิทำไมคนเข้าไปทาไมเขาไม่รู้อ่ะทำไมเรารู้อ่ะเราเก่งตายอะทํทำไมเขาไม่รู้รร <c oughs> รอ่ะ เ, เพราะเมื่อเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะมองอะไรไม่เห็นแล้วทุกคนทำกันหมดเราก็จะทำตามมันเป็นธรรมชาติของรูปนามที่จะมองไม่เห็นอยู่แล้วมันจะทำตามกันเมื่อทำตามกันจะมีการอวยกันเองเมื่ออวยกันเองก็จะว่าอย่างนี้ถูก ว่าอย่างนี้ยถูกว่าอย่างงู้น่ะผิดว่าอย่างนั้นน่ะผิดอย่างของเราน่ะถูกมีของเราของเขาละตอนนี้เพราะฉนั้นปฏิบัติไปแค่นี้ถ้ามีสัมมาทิฏฐิก็รู้แล้วถ้ามันมีของเราของเขาเมื่อไหร่เนี่ยนะแสดงว่าคนสอนยังมีเราเขาอยู่เลยนั่นจะพ้นได้ไงอย่างนั้นผิดอย่างนี้ถูกอย่างงูถูกต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้อือม คนมีสัมมาทิฏฐิก็สาลาได้แล้วฟังสองทีทำไขัดหูจังนะเพราะฉะนั้นก็ใครจะไปบอกอะไรใครอ่ะคนมีมิจฉาทิฏฐิก็ว่าตัวเองถูกแต่คนมีสัมมาทิฏฐิจะไม่ได้ว่าอะไรเลยก็จะบอกแต่ความจริงออกไปแค่นั้นเองจะทําก็ทําไม่ทำก็ไม่รจะจะ ว, ว่าไงพระเจ้าตรัสว่าเหมือนคนที่ข้ามแม่น้ําไปได้จนไปยืนอยู่อีกฝั่งหนึ่งก็ตะโกนบอกคนอื่น ว่าข้ามมาอย่างไรตรงนั้นกําลังแย่แล้วให้ข้ามมาทางนี้ถ้ามีคนก็ไม่เชื่อไม่เชื่อเราก็ทำได้แค่นี้เพราะมันเป็นสิทธิ์ของเขาที่จะไหว้าตามไปหรือเขาจะอยู่ตรงนั้นก็เรื่องของเขาสาวกทั้งหลายเราก็ทำได้แค่นี้เราก็ทำได้แค่นี้ใครจะมาก็มามาแล้วก็จะพบความจริงแต่ถ้าใครจะไม่มาจะอยู่ตรงนั้นก็เรื่องของเขาเราจะไปทำอะไร แล้วคนส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วพราะเขาเสพติดสิ่งที่ไม่จริงสิ่งที่สร้างขึ้นมาแล้วก็ตายไปกับสิ่งนั้นแล้วก็เกิดเหตุเกิดก่อกันมาเรื่อยๆนะเว้นกรรมตามทันกันในชาตินี้คิดดูให้ดีใครจะกอกรรมทาเข็นก่กรรมชติ ลงทันตอนเย็นอยากให้โลกได้เห็นความเป็นลิกิตแห่งกัมสามคำจำไว้คำลิกิทให้ชีวิตไม่ขื้นสูงและตกต่ำ ก็คือความเดือดร้อนที่มันอยู่ไม่ได้เลยอะ่ะต้องตายตามไปเลยอย่างนี้เนี่ยมันมีอยู่ในชาตินี้บ่อยๆเขา อ, อยู่พันก็ร้อนผิดมันนึกแต่ความผิดเขาเรียกว่าวิปติสารคือความร้อนใจต่อการกระทำที่แล้วมาของตัวเองอะ่ะมันเดือปดปดุปดปดอยู่ตลอดกัางคืนเป็นฟันกงวันเป็นไฟมันก็เลยต้องตายหลายคงก็อาจจะสงสัยนะ เห็นบางคนทำผิดก็เห็นยังหน้าละลื่นลื่นเลิงอยู่เลยก็ไม่เห็นจะสำนึกระลึกหรือเป็นบาปเป็นชั่วหรือเป็นทุกข์เป็นร้อนในใจเลยถ้าผมให้ท่านไปที่บ่อส้วมเปิดฝาส้วมขึ้นแล้วให้ท่านไปบอกหนอน ที่กำลังกินขี้อยู่ในส้วมนอนแกมันเดราชานโศโครกกินแต่ขี้เป็นประจำหน้ารังเกียจหน้าขยะขยะภี่ผูมนุษย์นะเป็นสัตว์ประเสริฐให้คุณนี่ออกมานี่นอนฟังอยู่แป๊บหนึ่งท่านก็คิดว่านอนคงเข้าใจอ่ะท่านก็จับนอนขึ้นมาแล้วก็ขึ้นมาจากถังส้วม แล้วขึ้นมาไว้ปากที่ปากคุยกันมันแป๊บมันก็จะดึดกระดึดกระดึดกระดึดกระดึดกระดึ ด, ด, ดลงไปในถังส้วมแล้วก็ลงไปกินต่อนอนมันไม่รู้อะว่ามันคือนอนมันอยู่ในถังส้วมสกปรกโสกโครกมันบอกว่าเราว่าไงนะโอ้โหที่นีอ่อาหารการกินบริบูรณ์สมบูรณ์สด ้าปากก็ได้กินเลยไม่เห็นต้องไปหาเช้าไม่ต้องไปนั้งรถไฟฟ้าโดนชจนายด่า ก, ก็จะได้เงินสามสิบวันถึงจะได้เงินทีนี่อยู่กันแบบพาราดอนภาพเลยไม่มีขีดขั้นวันนาแล้วขี้กูขี้มึงกินก็ได้หมดถ้าไม่นอนถึงดูไม่ออก การที่หนอนดูไม่ออกหนอนไม่รู้ทุกได้ซ้ำอะไรจะเกิดขึ้นหนอนจะอยู่เป็นหนอนชั่วนิดนิรันดรถูกไหมมนุษย์มีกินมีใช้ได้เงินเสพสุขซื้อเสื้อซื้อกระเป๋ามีความสุขกับเสื้อกระเป๋าผมมาพูดอย่างนี้เนี่ยเรื่องร้างกิเลสอาจารย์ การไปบวชเถอะขอบคุณมากเลยที่มนเหนื่อยเพื่อพวกเราจะเอาเถอะไม่ไปหรอกเนี่ยรอยถึงวันกลับเนี่ยจะได้กลับสักทีนะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะอธิบายให้ฟังยังไงก็ตามสุดท้ายก็จะกลับผมก็ไม่ว่าท่านเป็นนอนเป็นอะไรหรอกท่านก็จะมีความสุขอยู่กับสิ่งเหล่านั้นไปจนตายสุขจริงเปล่าก็ไปดูเอาเอง สุขสุขิศ ด, ดิบดิบทุกๆกันอยู่อย่างเงี้ยเนี่ยก็ออกว่ากันไปไม่ใช่ผมไม่เคยมีชีวิตแบบนั้นผมก็มีชีวิตแบบนั้นจนกระทั่งวันหนึ่งเจ็บตัวหนักจากการที่มันก็ไม่ได้ดังใจมันก็เกิดความผิดพลาดในชีวิตตีดังกาหงายท้องมีความทุกข์แสนสาหัสก็ไม่รู้จะออกจากทุกข์ยังไงเหมือนกันมาเดินจงกรมนั่งสมาธินะ ก็อย่างงๆวมันจะพาพ้นทุกข์ได้ยังไงมาเดินจยกมลนัสมาธินี่ยแล้วก็มาอยู่ในคอร์สตอนนั้นก็เจ็ดวันอยู่เจ็ดวันออกไปก็ต้องเจอกับทุกข์เหมือนเดิมนี่สินก็ยังอยู่ร่นเต็มไปหมดจะพ้นทุกข์ไปได้ยังไงเรื่องราวก็ยังอยู่ในข้างนอกศาลก็ยังฟ้องกันอยู่เลยก็เต็มไปได้วยความทุกข์นั่นแหละมันเจอของอย่างนั้นจริงๆตอนนี้มันอาจจะไม่โดน ใครอาจจะยังไม่โดนก็อาจจะยังไม่ไ ม, ไม่ไม่ถึงจุดะไม่ถึงจุดเปลี่ยนแต่ถ้าโดนเมื่อไหร่ก็ไม่จำเป็นต้องโดนอย่างที่ผมบอกเมื่อเช้าบางคนสั่งสมมาดีนิดๆหน่นอยๆก็ไปแล้วไม่อยู่แล้วทุกขนาดนี้ยังไม่เอาแล้วนิดเดียวกว่าทุกแล้วเอาละนะเพราะฉะนั้นการที่มาอยู่ตรงนี้เรากำลังฝืนเหมือนหนอนขึ้นไปข้างบน แล้วเริ่มเห็นความจริงที่ไม่อยากกลับไปเป็นหนอนอีกแล้วถ้ามีพระมาพระอรหันต์มาโปรดเราท่านอยู่ป่าอยู่เขาอยู่วิเวกท่านบอกนี่นะ่ะทางพ้นทุกข์เราก็รู้ว่านี่ก็ทางพ้นทุกข์แต่เราทำไม่ได้เราก็อยู่อย่างนี้ดีแล้วสุขสบายดีแล้วเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ได้ไปก็เหมือนหนอนก็ยอมไปก็ไม่เป็นไรท่านก็กลับมาอยู่ผาสุขผาสุขอยู่ที่ไหนนะ พาสุขอยู่ที่ใช้มาวางได้ทั้งหมดก็ไม่มีอะไรแต่ต้องต้องอาศัยการฝึกมันต้องพ้นไปจากทุกข์ให้ได้พ้นไปจากบุรีพ้นไปจากสิ่งเสพทั้งหลายที่เคยคุ้นวิปตสสารเพราะฉะนั้นคนที่ทำบาปทำชั่วจนเคยชินภูมิของเขาเนี่ยมันเป็นสัตว์นรกอยู่แล้วเสียงหัวเราะ ก็คือเสียงหัวร้อสัตว์นรกทั้งนั้นขึ้นมาไม่ได้แรอ้อแล้วที่มาได้ดีมีสุขรับประกันสถานะของจิตเนี่ยต่ำกว่ามนุษย์แล้วต่ำกว่ามนุษย์แล้วคือกายนี้แตกทำลายเมื่อไหร่เนี่ยจิตหล่นโพะลงไปข้างล่างเลยแล้วทำบาป ท, ทำชั่วโดยไม่สำนึกเนี่ ย, น, ยนะไม่มีทางพลิกกลับ วันนี้ถ้าท่านโกรธใครอาฆาตใครนะแล้วในใจเคยไม่ถามตัวเองว่าสมมติเราโกรธใครเนะี่ยแค้นใครที่ทำกับเราไวนะ้เนี่ยในใจเราเคยไห่อยู่ๆวันหนึ่ง <c oughs> รู้สึกว่าช่างไม่มีอะไรโวสิไปแล้วก็เบาไปแต่ถ้าวันนี้ยังพูดถึงคนคนนั้นที่เราโกรธเราแค้นที่มันทำกับเราไวนะ้เนี่ยผมพูดเนี่ยท่านเห็นหน้าใครในใจท่านไหม นั่ น, นท่านไม่ได้ปล่อยเพราะฉะนั้นจิตท่านไม่ได้พลิกกลับเมื่อไหร่ท่านตกนรกจิตจะไม่พลิกกลับเองแต่ถ้าเราฝึกให้จิตพลิกกลับบ่อยๆฝึกที่จะวางสิ่งนั้นลงบ่อยๆเมื่อสมมติว่ามีใครที่ตกลงไปยอยู่ในนรกเนี่ยวันหนึ่งรู้ไหมว่าการที่จะพ้นจากนารกพ้นยังไง คนเมื่อจิตมันพลิกเป็นกุศลท่านเคยต้องทุกข์อะไรแล้วอยู่ๆมันปังมาสรุปเฮ้ยช่างไอมันสลัดทิ้งเฮ้ยช่างหวงเลยเบาไปเลยมีคนมาเอาโหสิกรรมกันเบาเลยหรือเราไปอโหสิกรรมกับใครมันเบาไปเลยเฮ้มันเหมือนยกภูเขาออกจากอกเลยนั่นแหละมันออกจากนรกออกกันแบบนี้แหละนรกเปรตอาศัยได้ยิน พริกได้อาศุลกายอาศัยคาสอนพลิกไม่ได้เพราะความเป็นตัวตนจัดจ้านคือเซลล์จัดต้องให้จิตพลิกเองถึงจะพ้นจากอาศุลกายขึ้นมาได้นี่คือความต่างกันเปรตอยู่ด้วยความเล่าร้อนใครอยู่ด้วยความเล่าร้อนบีบคั้นเปรตอยู่ด้วยความเล่าร้อนเกิดไปได้ยินคำสอนหรือได้เห็นนั่งกันมี ทำดีจังเลยปิ๊งหลุดแต่อสุรกายแผ่เมตาก่อนแล้วอะไรก่อนแล้วอุทิศส่วนกุศลก็แล้วไม่ได้รับเลยเพราะมันเซล์จัดมันปิดหมดต้องทำอะไรสักอย่างที่ไปกระตุ้นความรู้สึกว่าเออฉันก็เคยทำแบบนี้นะแล้วมันก็โล่งขึ้นมาแล้วก็หลุดพัวออกมาพวกอสุรกายเพราะฉะนั้นพวกตัวตนจัดเซล์จัดเนี่ยตกลงไปกับอสุรกายทั้งนั้นพวกเมอเออ นังคิดวนเศร้าทุกข์พวกนี้เดรัจฉานหมดโกรธเต็มไม่ได้ความแค้นอาฆาตพลิกไม่ออกกูไม่ให้อภัยมึงหรอกสมัยมึงทำทำมกูเจ็บปวดนัะไอ้ น, นี่อะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้ความเล่าร้อนพวกนี้สัตว์นรกหมดนะโกรธแค้นเป็นประจํากระทบปังเป็นแค้นกระทงกระทบปังเป็นโกรธนะพวกนี้ วิปติสารบั่งอะไรบ้างเกิดไม่ได้หยุดวันหนึ่งคนนั้นมาก็ทุกคนนี้ไม่มาก็ทุกใครพูดอะไรก็ทุกเปิดข่าวก็ทุกทุกมันทุกเรื่องพวกนี้ระวังให้ดีเอคิดแล้วยังเลยไปเข้าวัดทมมนนะําบูชาน่ะเอค้คิดคิดมากเลยตอนนี้คิดว่ามันจะโดนอะไรไม่รู้แต่ ว, ว่าคิดว่าแจะกลัวจะเหมือนกับไอ้ที่เราทํามาก่อนนะ่ะ เหมือนกัรน้องชายที่ออทํากับแมวทำไว้กับแมวนะม่ะวิธีหนึ่งซึ่งจะทําให้เรานี้มีผลกรรมเจือจางลงมาก็คือการแผ่เมตตาอยู่เสมอจากนั้นควรจะบําเพ็ญวิปัสสนากรรมฐานเมื่อจิตของเรานั้นถูกอบรมบ่มนิสัยไปด้วยกรรมฐานอยู่เสมอนี่อาคติปยาบัติก็จะเข้าไม่ถึงเราเพราะฉะนั้นควรจะฝึกวิปัสสนากรรมฐานจนคุ้นชิน นับจากน้องชายเสียชีวิตลงจัน์ก็เลิกฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเพียรทําบุญถือศีลภาวนาเพราะเชื่อแล้วว่าบาปกรรมมีจริงและเชื่อด้วยว่าถ้าไม่เร่งทําความดีกรรมจะตามตอบสนองเขาทันทีไม่วันใดก็วันหนึ่งเพราะนี่คือกรรมฤทธิ์ ทำบาปกรรมอย่างเดียวกันแต่ได้รับวิบากกรรมต่างกันพี่น้องสองคนเผาแมวด้วยกันทำไมคนหนึ่งตายตกตามแมวทำไมพี่ไม่ตายแต่เดี๋ยวก็ตายไม่มีใครไม่ตายเราก็ตายเราจะทำบาปทำชั่วหรือทำบุญทำกุศลมากมายเดี๋ยวก็ตายไม่มีไม่ตาย ทีนี้ตายว่างหรือตายทุกหรือตายสุขก็ว่ากันละทีนี้ในชีวิตทำอะไรไว้ละ่ะไม่ไปไหนหรอกเพราะคนที่เห็นทั้งหมดอยู่ที่นี่คนที่บันทึกทุกอย่างเอาไว้ทั้งหมดอยู่ที่นี่ไม่ใช่สุวรรสุวานอยู่ข้างนอกคอยพิมพ์บัญชีอะไรทั้งสิน้นไอ้นี่บันทึกกันหมด ต่อให้ท่านนั่งในส้วมยุงวีกัดมันี่เลือดสาดมั้งไม่มีใครเห็นเลยไม่มีใครจดไม่มีใครว่าเฮ้ยผิดสิไม่มีแต่นี่บันทึกตั้งแต่วีแรกเกิดเจตนาในการต้องการจะฆ่าอาฆาตแ้นพยาบาทมีหมดครบจนลงมือกระทา ผลเกิดขึ้นเรียบร้อยเพราะฉะนั้นถูกบันทึกเอาไว้เรียบร้อยหมดแล้วเป็นความเคยชินที่จะทำครั้นต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปโดยเป็นอัตโนมัติหมดแต่มันเป็นอัตโนมัติชั้นต่ำเป็นสิ่งที่เกิดความแค้นจนทั้งไม่รู้ตัวเกิดอาฆาตโดยไม่รู้ตัวอีกแล้ว ยู่บ้าจริงๆทำเยออย่างนี้วันนี้มันใครลืมปิดประตูว่ามันเกิดเป็นความโมโหโกรธแค้นอาฆาตพยาบาทโดยไม่มีความรู้สึกตัวเลยเพราะฉะนั้นจิตของเขาได้ลงต่ำไปจนถึงสัตว์นรกเรียบร้อยแล้วอย่าเป็นเรานะเพราะฉะนั้นการฝึกฝนสร้างความเคยชินให้เป็นอะไรนั่งเมอเออ ทีนี้พะทำบาปทำชั่วเข้าไปเหตุปัจจัยถึงพร้อมปั้งเดรัจฉานเป็นที่ตั้งเลยชาติต่อโอาจานมีเยอะชาติน้าชาติหลังอะไรเนี่ยเธอเอาแค่ตรงนี้ที่ผมพูดาเนี่ยถ้ามีไม่จริงสักข้อนะเอารู้ได้ไงว่าจริงไม่จริงก็ดูที่ใจตัวเองดิรู้ว่าจริงไม่จริงนาฬิกาเนี่ย เริ่มหมุนเม็ดมายมเนี่ยเฟืองเล็กหนึ่งกริกเนี่ยมันจะไปหมุนเข็มวินาทีหนึ่งกริกหกสิบกริกของเข็มวินาทีจะไปหมุนเข็มนาทีหนึ่งทิถ้าอั น, นี้หมุนไปหกสิบอันนี้จะไปหนึ่งทิศถ้าอั น, นี่หมุนไปจนครบรอบเข็มสั้นจะหมุนไปอีกหนึ่งทั้งหมดเป็นเหตุปัจจัยกันทั้งหมดเลย วันนี้ไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีนะเพราะไม่เห็นอะไรมาอยู่แล้วแต่คนที่เขาเห็นเขาพูดได้แค่นี้ภิกษุทั้งหลายใครพึ่งกล่าวว่าคนทำกรรมอย่างใดๆย่อมเสวยกรรมนั้นอย่างนั้นๆดังนี้เมื่อเป็นอย่างนั้นการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ก็มีไม่ได้ ช่องทางที่จะทำที่สุดแห่งทุกโดยชอบก็ไม่ปรากฏส่วนใครกล่าวว่าคนทำกรรมอันจะถึงให้ผลอย่างใดๆย่อมสวยผลของกรรมนั้นอย่างนั้นๆดังนี้เมื่อเป็นอย่างนี้การอยู่ประพฤติพรหมจรรย่อมมีได้ช่องทางที่จะทำที่สุดแห่งทุกโดยชอบก็ย่อมปรากฏภิกษุทั้งหลาย บาป ก, กรรมแม้ประมาณน้อยที่บุคคลบางคนทำแล้วบาป ก, กรรมนั้นย่อมนาเขาไปนรกได้บาป ก, กรรมประมาณน้อยอย่างเดียวกันนั้นบางคนทำแล้วกรรมนั้นเป็นทิฏฐธรรมเวทนิยกรรมให้ผลในพบปัจจุบันไม่ปรากฏผลมากต่อไปเลยในย่อหน้าแรกพูะเจ้าหมายถึงว่า ถ้าบาป ก, กรรมที่ใครคิดว่าทําอย่างนี้ผลต้องเป็นอย่างนี้เปลี่ยนแปลงไม่ได้นั่นเรียกว่าทฤษฎีกรรมเก่านนะล่ะหรือว่าฆ่าแมวก็ต้องตายตกตามแมวอย่างเงี้ยเรียกทฤษฎีกรรมเก่าแต่ในประโยคต่อมาในย่อหน้าแรกท่านก็บอกว่าถ้ามีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ช่องทาง <c oughs> ที่จะเปลี่ยนแปลงผลเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ยกตัว อ, อย่างเช่นให้ <c oughs> เราเข้าใจว่าคือองค์ุริมา องคุริมาลก็ทําบาปมาเยอะนแต่ในที่สุดเราก็ทราบกันโดยอ่านจากคำภีร์ว่าท่านก็พ้นไปได้ท่านก็จึงบอกว่าถ้าต้องทําถ้าทําอะไรแล้วผลต้องล็อกว่าเป็นอย่างนั้นเนี่ยแล้วการจะอยู่ประพฤติพรหมจรรย์แบบองค์คุริมาลเนี่ยท่านจะพ้นไปได้ยังไงท่านก็ต้องรับวิบากทั้งหมดจนหมดทีนี้เราฟังนี้เราก็อาจจะเริ่มงงๆ ตกลงกฎแห่งกรรมนี่คืออะไรกฎแห่งกรรมคือกฎแห่งการกระทำซึ่งกฎแห่งการกระทำไม่ได้แยกว่ากุศลหรืออกุศลกฎแห่งการกระทำที่แต่ละคนทำไว้เป็นเหตุจะส่งเป็นผลผลอันที่เรามานั่งอยู่ตรงนี้ได้เพราะมีเหตุเป็นที่มาแล้วอะไรเป็นเหตุเป็นที่มา ถ้าผมให้ท่านเขียนในกระดาษคําถามหรือยกมือตอบผมว่าท่านคิดว่าอะไรเป็นเหตุที่ท่านมานั่งอยู่ตรงนี้ฉันอาจจะอ๋อเมื่อสองปีที่แล้วเคยถวายตู้พระไตรปิฎกเป็นไปได้อีกคนอาจจะบอกว่าหนูเคยถวายพระธุดงถ่ายน้อถวายหนังสือพระธุนดงก็เป็นไปได้เคยเอาซีดีไปแจกเป็นไปได้เคยเป็นเจ้าภาพ จัดคอสปฏิบัติเป็นไปได้หนูเคยไปปฏิบัติทำเจ็ดวันที่นี่ยเป็นไปได้คือทุกอย่างอาจจะเป็นผลได้ทั้งอเป็นเหตุได้ทั้งหมดเหตุอันหลากหลายที่เราไม่รู้เลยว่าอะไรคือเหตุแต่มีเหตุหนึ่งที่ต้องเกิดขึ้นแน่แน่ในทุกคนไม่อย่างนั้นไม่ได้คือการได้เกิดเป็นมนุษย์ถ้าเหตุนี้ไม่มีเป็นอันจบเหตุ เหตุที่สองเมื่อได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วต้องได้พบพระพุทธศาสนาด้วยการได้พบพระพุทธศาสนาก็คือมีพระธรรมที่ถูกต้องคือปัญญาการตัสรู้ของพระพุทธเจ้าถ้าบอกว่าต้องพบพระพุทธเจ้านี่เสร็จเลยเสร็จตอนนี้เราเสร็จละสองพันหร้อยสองันห้า้อยหสิบเอ็ดปีแล้วที่ล่วงมาแล้วไม่ใช่น้อยนอยนะ พระองค์มีพระชนมายุแค่ห0สิบนะแต่นี่คือสองพห้ารยสบเอ็ดเอะพทษท่าน80ดสิบนะนี่ 2,561 นเอ็ดผ่านมา 2,500 กว่าปีนะไม่ใช่น้อยน้อยนะคือถ้าเอา80ดสิบไปหานี่ไม่รู้กี่ชั่วชีวิตคนมาแล้วนะยังมีอริยมรรคมีองค์แดได้ฟังนี่ต้องถือว่าโอ้โหเป็นโชคไม่รู้กี่ชั้นแล้วนะ เออไม่รู้ว่าครั้งหน้าจะยังมีไหมการเกิดเป็นมนุษย์จะมีอีกหรือเปล่าจะได้พบพระพุทธศาสนาอีกไหมหรือบางคนไปเกิดในดินแดนอื่นที่ไม่มีแล้วเนี่ยหรือบางคนไปทํางานทําการไปอยู่ในดินแดนอื่นแต่จะพัดจับหูกลับมาอยู่ในดินแดนที่ได้ได้ยินพระพุทธศาสนาเนี่ยนั่นก็ถือว่าฟุกจนไม่รู้จะฟุกยังไงแต่คําว่าฟุกไม่มีคําว่าฟุกเป็นคําพูดเฉยแต่ฟุกไม่มีผลมาจากเหตุทั้งหมดไม่มีฟุก เพราะท่านทำเหตุไว้ผลจึงเกิดแต่ปัญหาคือเมื่อผลเกิดแล้วมันกลายเป็นเหตุใหม่วินาทีนี้ทันทีเข้าใจไหมท่านเคยทำเหตุจนมานั่งอยู่ตรงนี้เป็นผลถูกไหมห่อยเปลือชิปเป่งนะไม่อยากฟังเลยเหตุที่ท่านกำลังทำเป็นอกุศลมันอย่จะเลิกเลิกก็ทีเนี่ยนะเพราะฉะนั้นท่านไม่ได้สร้างเหตุเสริมต่อแล้วนะ ท่านกําลังสร้างเหตุให้หลุดออกไปจากพุทธศาสนาจากการปฏิบัติจากการได้ยินได้ฟังสัมมาทิฏฐิผมก็เลยบอกว่าผมมีสัมมาทิฏฐิแต่ผมนําคำพระพุทธเจ้ามาบอกเพราะฉะนั้นเหตุใหม่ที่กําลังทําวินาทีนี้เราทําอะไรเสริมต่อเหตุเก่าที่ทํามาดีแล้วหรือเปล่าหรือท่านกําลังเจอทางสองแพ่งแล้วก็ตัดสินใจ ไปทางซ้ายดีกว่าไม่เอาแล้วฉันทำได้แค่นี้เพราะฉะนั้นท่านจะหลุดออกไปจากวงจรแล้วก็จะหลุดออกไปทางซ้ายผ่านตลอดซ้ายผ่านตลอดซ้ายผ่านตลอดไปเรื่อยๆเพราะในทุกๆวินาทีของชีวิตเราเนี่ยจะเจอทางสองแค้นตลอดเวลาท่านจะเห็นคนที่ขับรถปาดหน้ากันที่มีข่าวกันทุกวันเลยตอนนี้ปาดหน้ากันแล้วลงมาถึงก็ทะเลาะ ก, กันแล้วก็ชักปืนแล้วก็ยิงเลยแล้วก็จะเห็นว่าถูกตํารวจจับแล้วก็ถูกติดคุกสามสปี เห็นไหมว่าพอมันเบี่ยงซ้ายไปทีหนึ่งมันเบี่ยงต่อเลยเพราะความที่ไม่มีสติมันเกิดโทสะมันเกิดความเคยชินท่านไม่รู้ตัวหรอกนะว่าถ้าท่านไปอยู่ในสถานการณ์นั้นท่านก็โกรธด่าเขาเหมือนกันข่าวที่เรากำลังเสพหนังที่เรากำลังดูทุกอย่างที่เราได้ยินทุกอย่างที่เราอ่านมันไหลเข้าไปในจิตไร้สานึกเราทั้งหมด เมื่อมันถึงเวลานั้นขึ้นมาสิ่งนั้นมาก่อความเป็นความรู้สึกเป็นตัวตนของเราออกมาด้วยเด็กทุกคนที่เล่นเกมกระโดดถีบหน้ากันอะไรอยู่ในเกมนั่นแหะเมื่อถึงเวลาอันบีบบังคับเขาจะทําแบบที่เขาเล่นเคยกดปุ่มมาถ้ามีปืนเขาจะหยิบปืนขึ้นมาแล้วก็ยิงเลยเพราะเขายิงมาจนชินแล้วในเกมเขาได้สร้างความเคยคุ้นกับการตายการ เลือดสาดความชิบหายวายป่วงเขาได้เสพคุ้นกับสิ่งเหล่านั้นอยู่แล้วเข้าไปในจิตทุกวันเราไม่รู้หรอกนะว่าการยื่นสิ่งนี้เข้าไปให้ลูกเนี่ยมันได้หล่อหลอมไอ้ข้างในเนี่ยเข้ามาสู่ข้างในนี่ไอ้ตัวในนี้มันกลายเป็นตัวนี้ไอ้นี่มันมาจากไอ้นี่การรับรู้ทางตาหูจหมูกลิ้นกายใจเนี่ยมารับรู้เข้าไปแล้วมันก็หล่อหลอมสิ่งเนี้ยสะพรอนออมาเป็นพฤติกรรม ออกมาเป็นพฤติกรรมทั้งหมดวันนี้เราไมา่ได้ยินได้ฟังธรรมะแล้วมาอยู่ในฝ่ายกุศลมากขึ้นมากขึ้นมันจะหล่อหลอมพฤติกรรมของเราออกมาใหม่เพราะฉะนั้นพฤติกรรมของเราอยู่ที่เราจะเอาอะไรเสพเข้าไปล่ะพอเราเริ่มเข้าใจทั้งหมดแล้วเราจะเลือกอะไรอริมักมีองแหวงองแหวกลับไปดูว่าใส่อะไรเข้าไป ใส่กูศลใส่กูศนใส่กูศนไม่ทําบาปทําชั่วใส่กูศลใส่กูศลตลอดเวลาละอากุศลเจริญกูศนอยู่กับกูศนกูศนกูศลเข้าไปเรื่อยๆบาปชั่วไม่ทําแล้วคนคนนั้นจะถูกหล่อล้อมออกมาพฤติกรรมเป็นยังไงนะสงบเย็นความทุกข์ลดลงลดลงลดลงการตอบสนองต่อโลกต่อการกระทําพฤติกรรมเหล่านั้นลบๆจะไม่มีนี่เนี่ยมันหล่อล้อมหล่อล้อมหล่อล้อมออกมา เพราะฉะนั้นบาปชั่วที่พระเจ้าบอกว่าบาปกรรมประมาณน้อยบุคคลบางคนทําแล้วนําเข้าไปนรกแปลว่าอะไรถ้าเราเคยชินเคยคุ้นกับการทําบาปทําชั่วอยู่แล้วโกโรธก็ด่าใครกระทบก็ว่าหงุดหงิดลาคาญพวกนี้เราอยู่กับบาปชั่วอกุศลจนเป็นอัตโนมัติเป็นความเคยชินหมดแล้วท่านบอกว่าทําบาปกรรมแม้น้อยก็ไปนรก บาป ก, กรรมแม้ประมาณน้อยบุคคลชนิดไรทำแล้วบาป ก, กรรมนั้นจึงนำเขาไปนรกได้บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีกายไม่ได้อบรมมีศีลไม่ได้อบรมมีจิตไม่ได้อบรมมีปัญญาไม่ได้อบรมมีคุณความดีน้อยเป็นอัปปาตุมะคือเป็นผู้มีใจแคบใจหยาบใจต่ำซามเป็นอัปปาทุกขาวิหารี มีปกติอยู่เป็นทุกข์ด้วยเหตุเล็กน้อยคือเป็นคนเจ้าทุกข์บาปกรรมแม้ประมาณน้อยบุคคลชนิดนี้ทำแล้วย่อมนำเขาไปนรกได้นะเพราะฉะนั้นพุทธเจ้าบอกว่าไงกายไม่ได้อบรมศีลไม่ได้อบรมจิตไม่ได้อบรมปัญญาไม่ได้อบรมสมมติเราไม่เคยได้ยินได้ฟังอะไรเลยเราก็ใช้ชีวิตไปตามสัญชาติยานมีคนทำอะไรมาพ่อแม่ ดูว่าดูว่าดูว่าเพื่ออะไรเรามองไม่เห็นว่าท่านรักสักรักเราจะให้เราเป็นคนดีไหมปิดประตูใส่หน้าโครมเดินกระทึ้งปังมึงปึงป้งปึงป้ ง, ป ง, ปงไปเนี่ยพวกนี้กายไม่ได้อบรมศีลไม่ได้อบรมดา่าโครมโคมโคมออกไปหมดนึกจะฆ่านีกจะทํําทาไมจะทำํำมีอะไระมันกัดมงก่อนอพวกนี้มีศีลไม่ได้อบรมท่านก็เคยเห็นคนแบบนี้หรือเราก็อาจจะเคยเป็นมาก่อนด้วยซ้ํา พวกนี้มีสีไม่ได้อบรมมีจิตไม่ได้อบรมนะก้าวร้าวมีปัญญาไม่ได้อบรมมีความทุกข์ระทมจากการสูญเสียก็ดีจากการพัดพลาดก็ดีก็ไม่มีปัญญาที่จะออกจากทุกข์เลยนั่งระทมอยู่นั่นปรับทุกข์ก็ดีอะไรก็ดีก็ออกไม่ได้นะ พวกนี้พระเจ้าก็บอกว่าเนี่ยกายไม่เดือบลมจิตไม่เดือบลมมีคุณความดีน้อยเป็นผู้มีใจขับแคบใจอยากใจต่ำสามมีปกติอยู่ด้วยความทุกข์ด้วยเหตุเพียงเล็กน้อยอย่างที่ผมบอกคนนั้นทํามานิดก็โกรธคนนี้ทําอะไรก็ไม่พอใจเปิดข่าวก็ด่าได้ทั้งหมดผ่านไปเจอพระสวดก็แหมวิภาควิจาร์อย่างนั้นอย่างนี้พวกนี้ทําบาปทําชั่วตลอดทั้งวันจิตใจเต็มไปด้วยอกุศลตลอดทั้งวัน บาปกรรมประมาณน้อยบุคคลประเภทนี้ทําแล้วพาเข้าไปนรกเพราะธรรมชาติของจิตนรกอยู่แล้วผมจึงบางทีผมบรรยายผมขออนุญาตเสริมนะคำของพุทธเจ้าขออนุญาตเสริมก็คือว่าขอประทานโทษที่พูดมาทั้งหมดยังไม่ต้องทําบาปเพิ่มก็นรกชุนแล้ว <c oughs> นะเหมือนยืนอยู่ขอบเหว <c oughs> เหมือนก็ยืนอยู่ขอบเหวแล้วกัน คือไม่ต้องทำอะไรเยอะหรอกแค่ก็หล่นแล้วแค่ลมพัดมานิดนึงก็หล่นแล้วใบไม้หล่นมาโดนหัวใบหนึ่งก็ตกเหวแล้วคือมันจะตกอยู่แล้วมันเต็มแล้วเนี่ยคือข้อนี่คนถึงสงสัยว่าทำไมบาปการรมประมาณน้อยทำไมบุคคลบางคนทาแล้วไปนรกก็มันนรกอยู่แล้วใจมันนรกอยู่แล้ว มันมีแต่ทำบาปทำชั่วทำผิดศีลอยู่แล้วนะเข้าใจตรงนี้ด้วยบาปการรมประมาณน้อยอย่างเดียวกันบุคคลชนิดไรทำแล้วบาปการรมนั้นจึงเป็นทิฏฐ ธ, ธรรมเวทนียกรรมไม่ปรากฏผลมากต่อไปเลยบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีกายได้อบรมแล้ว มีศีลได้อบรมแล้วมีจิตได้อบรมแล้วมีปัญญาได้อบรมแล้วมีคุณความดีมากเป็นมหาตามะคือเป็นผู้มีใจกว้างใจบุญใจสูงเป็นอัปปะมานะวิหารีมีปกติอยู่ด้วยธรรมอันหาประมาณไม่ได้คือเป็นคนไม่มีหรือไม่แสดงกิเลสซึ่งเป็นเหตุให้เขาประมาณได้ว่าเป็นคนดีแค่ไหน บาปกรรมประมาณน้อยอย่างเดียวกันนั้นบุคคลชนิดนี้ทำแล้วกรรมนั้นเป็นทิฏฐธรรมเวทนิยกรรมไม่ปรากฏผลมากต่อไปเลยนะอันนี้ก็ผมไม่ต้องอธิบายอลไรอ่ะก็คล้ายๆกับข้าง ก, กันเลยนะกับข้างกันเลยแบบกรรมประมาณน้อยอย่างเดียวกันบุคคลชนิดนี้ทาแล้วกรรมนั้นเป็นทิฏฐธรรมเวทนิยกรรมไม่ปรากฏผลมากทิฏฐธรรมเวทนิยกรรมหมายถึงว่า การกระทาหรือผลอการกรรมนั้นเป็นทิฏฐธรรมเวททิฏฐธรรมยัคือปัจจุบันนะเวทนิยกรรมก็คือไม่ปรากฏผลมากนะผลที่แสดงออกมาจากการกระทานั้นกลับไม่ปรากฏผลมากนะไม่ได้ไม่ไม่ใช่ไม่ปรากฏผลเลยนะแต่ไม่ปรากฏผลมากเพราะอะไรพนะิสูุทั้งหลายต่างว่าคนใส่เกลือลงไปในถ้วยน้ำเล็กๆหนึ่งก้อน ทนทั้งหลายจะสำคัญว่ากระไรน้ำอันน้อยในถ้วยน้ำนั้นจะกลายเป็นน้ำเค็มไม่น่าดื่มไปเพราะเกลือก้อนนั้นใช่ไหมเป็นเช่นนั้นพระพุทธเจ้าค่าเพราะเหตุไรเพราะเหตุว่าน้ำในถ้วยน้ำนั้นมีน้อยมันจึงเค็มได้เพราะเกลือก้อนนั้นต่างว่าคนใส่เกลือก้อนขนาดเดียวกันนั้นลงไปในแม่น้าคงคา ท่านทั้งหลายจะสำคัญว่ากะไรน้ำในแม่น้ำคงคานั้นจะกลายเป็นน้ำเค็มดื่มไม่ได้เพราะเกลือก้อนนั้นหรือหาไม่ได้พระพุทธเจ้าค้าเพราะเหตุไรเพราะเหตุว่าน้ำในแม่น้ำคงคามีมากน้ำนั้นจึงไม่เค็มเพราะเกลือก้อนนั้นฉันนั้นนั่นแหละนะพะฉันอุ ป, ปมาณนนี้ก็เข้าใจได้ไม่ยากนะ เกลือก้อนดึงใส่ลงไปในน้ําแก้วเล็กๆถามว่าเค็มไหมสาวาก็บอกเอค็มขอเจ้าค่ะแล้วถ้าเกลือก้อนเดียวกันเนี่ยไปใส่ในแม่น้ําคงคาจะเค็มไหมก็ถ้าโดยทฤษฎีแล้วก็บอกว่าเค็มอะแต่ไม่เป็นนัยยะสําคัญถูกไหมจะบอกไม่เค็มเลยมันก็คงไม่ใช่เดี๋ยวมันจะกลายเป็นการกระทํากรรมแต่ทําไมจึงไม่ต้องรับผลมันรับแต่มันเบาบางมากมันเบาบางมากเพราะอะไร <S <S เพื่ออุปมาให้เข้าใจคําพุทธเจา้าเพราะท่านบอกเรื่องของการที่บางคนทำกรรมมาและทำไมบางคนบาปกรรมประมาณน้อยบางคนตกนรกบาปกรรมประมาณน้อยบางคนถึงไม่ตกนรกท่านก็เลยย ก, ย ก, ยกตัวอยา่างเกลือหมายถึงบาปกรรมน้ำก็คือบุญกุศลที่ทาไว้ทีนี้ถ้าให้เข้าใจก็เหมือนกับทุกคนเนี่ย มีถังใบหนึ่งติดตัวมาตั้งแต่เกิดทุกคนเจ็ดพันหกร้อยล้านคนไม่ได้เกี่ยวกับพุทธศาสนาหรือศาสนาคริสต์อิสลามใดใทั้งสิน้นอันนั้นเป็นแค่ความเชื่อแต่ความจริงคือทุกคนมีถังมาคนละใบไม่ว่าท่านจะศาสนาไหนก็ตามศาสนาพุทธก็ไม่ใช่ของชาวพุทธศาสนาพุทธไม่ใช่ของชาวพุทธเป็นสิ่งที่ปัญญาการตรัสรู้ของพระเจ้าเพื่อช่วยสัตว์โลกทั้งหมดไม่ได้เกี่ยวอะไรกับชาวพุทธ พุทธศาสนาถ้าจะพูดให้ถูกคือทางออกจากโลกถ้าใครก็ตามกระทาหรือว่าเข้ามาปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์แปดไม่ว่าเขาจะบอกว่าเขาศาสนาไหนหรือเขาไม่มีศาสนาแต่ถ้าเขาปฏิบัติตามมรรคมีองค์แปดเขาจะพ้นไปจากทุกข์ทั้งปวงได้เพราะฉะนั้นไม่เกี่ยวกับตัวศาสนาศาสนาเป็นความเชื่อเป็นข้อวัดที่ทากันตามกันไป แต่เมื่อเข้าใจแล้วพ้นไปได้ทุกคนทำไมผมถึงเอารีเบคก้าถ้าท่านเคยดูรีเบคก้าทำไมปฏิจจสมุปบาทถึงอธิบายรีเบคก้าทั้งทั้งที่รีเบคก้าเป็นชาวคริสเพราะปฏิจจสมุปบาทอธิบายสัตว์โลกที่มีเวทนามีสัญญาและใจไม่เกี่ยวกับาศาสนาเพราะฉะนั้นทุกคนในโลกเหมือนมีถังมะขคนละบ เราเติมน้ำหรือเติมเกลือมาไม่เท่ากัานสักคนบางคนก็เติมน้ำมามากผมก็เชื่อว่าพวกท่านทั้งหลายก็เติมน้ำกันมามากส่วนเกลือเราอาจจะในอดีตเราอาจจะเติมมามากแต่ตอนนี้พอเราเริ่มเข้าใจเราก็คงไม่อยากจะเติมเกลือแล้วหรือบางคนก็หยุดเติมเกลือเติมแต่น้ำอย่างเดียวเพียงเกลือมันก็จะเบาบางลงจางลงไปเรื่อยๆก็เหมือนอุปมาที่พระเจ้า บ, บอก เพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมจึงเปลี่ยนจึงเปลี่ยนเปลี่ยนนิสัยเปลี่ยนความเคยชินเคยคุ้นของคนคนนั้นในการทําบาปทําชั่วการตอบสนองบาปชั่วแบบอัตโนมัติหรือแบบสัญชาตญาณก็จึงเริ่มเปลี่ยนไปเป็นการตอบสนองต่อโลกอย่างมีสติมีปัญญาไม่มุ่งร้ายเปลี่ยนเบี่ยนใครผลก็จึงออกมาเริ่มเป็นกุศลมากขึ้นเรื่อยๆคนคนนั้นก็จึงเริ่มอยู่เป็นสุขสงบเย็นมากขึ้นเรื่อย เข้าใจธรรมชาติตามความเป็นจริงนี่คือทั้งหมดที่เรื่องของกฎแห่งกรรมที่เราควรจะรู้กฎแห่งกรรมก็คือผลแห่งการกระทาอันเป็นกุศลอกุศลนั่นเองผมหยุดการบรรยายไปห้าสิบวันนะ ตอนที่ผมจะหยุดการบรรยายไปเมื่อปปีที่แอป้าปีที่แล้วเนี่ยผมอัดวิดีโอไว้ชุดหนึ่งนะผมจำชื่อไม่ได้รือซ้ำตอนนี้กำลังตัดต่ออยู่แต่เป็นเรื่องของกายกับใจในวันที่ผมอัดวิดีโอซึ่งชุดใหม่ที่จะออกมาเนี่ยวันนั้นผมมีปัญหามาก กับการบรรยายคือถ้าผมจะอธิบายให้ท่านฟังเป็นรูปประธรรมนะครับก็คือว่าตลอดมาที่ผมบรรยายทำมาสิบนปะีผมพูดเชื่อมโยงทุกอย่างที่ท่านเห็นเรื่องนั้นเรื่องนี้เปิดสื่อนั้นนี่เชื่อมโยงกัน ในการพูดเรื่องเดียวดึงเรื่องต่างๆมารวมกันได้เป็นสิบเรื่องยี่สบเรื่องเห็นทุกอย่างเชื่อมโยงกันทั้งหมดเปรียบเสมือนโดรนหรือว่านกที่บินอยู่บนเมืองเมืองหนึ่งจะเห็นถนนเห็นผู้คนว่าเส้นไหนเชื่อมไปทางไหนแล้วปลายทางไปจบที่ตรงไหนในวันที่ผมอัดวิดีโอชุดนั้นเนี่ย ผมมีปัญหาเกี่ยวกับการนึกขณะที่ผมกําลังพูดอย่างเช่นผมบอกว่าที่ผมอ่ะเดี๋ยวผมไปโยกโยกไปเรื่องนั้นแล้วก็จะดึงไปหรือว่าผมกําลังบรรยายแล้วผมรู้ว่าผมดึงมาเรื่องนี้เนี่ยปกติผมจะรู้ทั้งหมดว่าเดี๋ยวผมจะเอาอะไรมาเสริมเติมแล้วก็เดินทางต่อไปทางไหนจะเหมือนกับบินขึ้นมาแล้วก็เห็นข้างล่างเป็นถนนทุกเส้น แต่ในตอนนั้นผมเหมือนเดินอยู่บนถนนที่ผมไม่รู้ว่าผมจะไปทางไหนต่อแล้วผมอยู่ตรงนี้ได้ยังไงแล้วที่ผ่านมาเดินมาจากตรงไหนผมคิดอะไรไม่ออกผมนึกอะไรไม่ออกเลยเหมือนคนที่เคยบินอยู่ข้างบนด้วยโดรนแต่ลงมาเดินอยู่ในเขาวงกฏว่าเดี๋ยวจะบรรยายอะไรต่อ ที่กำลังพูดอยู่นี้จะเอาอะไรมาพูดต่อแล้วที่พูดอยู่นี้จะเอาอะไรมาเสริมวันนั้นมีปัญหาแต่พยายามทู่ซีดันไปให้จบแล้วก็ปวดหัวมากปวดหัวมากวันนี้อาการปวดหัวหายไปผมบรรยายที่ผ่านมาตั้งแต่เช้าจนถึงตอนนี้ผมเชื่อมโยงเรื่องไม่ได้เลย รูแล้วว่าอีกไม่นานผมจะต้องหยุดบรรยายแล้วตอนนี้ผมเดินอยู่ที่พื้นผมมองไม่เห็นผมบินไม่ขึ้นผมไม่เห็นช่องผมไม่เห็นเนื้อเรื่องมันคงทำหน้าที่มาพอแล้วเพราะฉะนั้นหลักสูตรจากนี้ไปผมยังไม่รู้ว่าผมจะต้องยุติ หรือยกเลิกที่ลงไว้ในตารางหรือจะทนต่อไปให้จบปีนี้ก่อนผมจริงที่ผมพูดไม่ได้มาขอความเห็นใจอะไรแล้วผมไม่ได้อะไรกับมันมันจะพูดได้พูดไม่ได้ผมไม่ได้อะไรอีนังขังขอบอะไรทั้งสิ้นผมทำหน้าที่ของผมจบทุกวันจบทุกตอนถ้าทำไม่ได้ก็ทำไม่ได้แต่ก็ได้มีการอัดอะไรไว้เยอะแยะมากมาย ใหพวท่านได้ฟังแต่ถ้าจะพูดไม่ได้นึกอะไรไม่ออกก็มานั่งเป็นกำลังใจให้ท่านนั่งสมาธิแล้เกรงใจอยู่บ้างก็พอเพราะนันตั้งใจนะแล้ววันหนึ่งไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับอะไรจะไม่มีใครทุกข์กับอะไรทั้งนั้นผมไม่เคยรู้สึกว่าผมเคยอะไร ถ้าวินาทีนี้เป็นอย่างนี้ไม่มีวินาทีที่แล้วเพราะนั่นเรียกว่าอดีตไม่มีการยึดเชื่อมโยงไปสู่อนาคตจบว่างหมดนะจะเป็นอะไรก็เป็นของเขาอย่างนั้นผมจะไม่อยากเป็นไม่อยากเป็นถ้ามีอยากเป็นไม่อยากเป็นถ้ามีตัวเราเพื่อจะอยากเป็นไม่อยากเป็นนั่นก็ทุกทั้งนั้นไม่ไมีอะไรธรรมชาติเป็นอย่างนี้และอย่างนี้ วันนี้นคุณแม่ผมเป็นเส้นโลหิตในสมองตีบคุณหมอที่มาตรวจวันนี้คุณหมอที่ตรวจในอดีตหลังจากตรวจร่างกายผมแล้ว<ม>ก็พูดคำเดียวเหมือนกันว่าอาจารย์มีความเสี่ยงสูงต่อการที่จะเป็นเพราะฉะนั้น วันนี้หมอก็พยายามดักแล้วก็ทํากันทุกอย่างแล้วผมก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะอยู่ไปได้ยังไงหรือว่ามันจะจําอะไรได้จําอะไรไม่ได้หรือเส้นตรงนั้นค่อยๆเล็กลงพราหลังจากทําร์ไอเขาก็เริ่มเห็นเส้นโลหิตที่มันเล็กลงมากผมก็ไม่รู้หรอก ม, มันเกี่ยวอะไรกับผมแต่ตอนนี้ที่ผมรู้คือผมนึกอะไรไม่ออกมันเหมือนคนเดินไปแล้วหันไปดูว่าเมื่อกี้เรามาจากตรงไหนแล้วเราค้นดึกไม่ออกว่าเราจะเดินต่อไปเราจะบรรยายต่อไปอยังไง ซึ่งในเมื่อก่อนผมง่ายเหมือนปอกด้วยเหมันคนที่เห็นทั้งเมืองจะบอกให้คนเดินไปทางไหนก็ได้แต่ตอนนี้ผมลงมาเดินอยู่ในตอกซอกซอยัอยู่ตรงไหนวะเนี่ยแล้วจะไปยังไงต่อเนี่ยอย่างนั้นเลยความรู้สึกเป๊ปทีนช่วยได้ชั่วคราวไม่ได้โฆษณาให้เขาหลายคนสงสัยว่าเป๊ปทีนกินไปทำไม คือตอนนี้ผมรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นข้างในคือการสื่อประสาทของระบบความจำเนี่ยเชื่อมกันไม่ติดมันเชื่อมกันไม่ได้แล้วก็ไม่มีความว่องไวเหมือนเดิมเฟสทีนเนี่ยทำหน้าที่ก็คือเป็นสารสื่อประสาทให้สมมติจุดนี้ถึงจุดนี้เนี่ยวิ่งหากันได้ไฟเชื่อมต่อกันได้แต่จะกินมากๆก็ไม่ไหวเดี๋ยวก็เบาหวานขึ้นอีก พราะฉะนั้นก็เอาเท่าที่ทําได้ผมจะขึ้นบรรยายเพื่ออัดดีวดีครั้งที่แล้วเนี่ยทีมงานนี่อัดแ ป, ป๊บทีไม่หยุดเลยคือกินกินกินแล้วขึ้นบรรยายกินกินแล้วขึ้นบรรยายเหมือนกระโดดด้วยริปโพนอะไรอย่างเงี้ยไม่งั้นนี่มันนึกอะไรไม่ออกแล้วจะอัดอยังไงเนื่องจากวีดีโอที่คิดว่าจะเป็นชุดสุดท้ายอัดทิ้งไว้ชุดสุดท้ายแล้วก็ไม่รู้ว่าสุดท้ายจริงหรือเปล่าแต่ตอนนี้ ก็เริ่มเห็นแล้วทั้งๆ ท, ที่พักมาแล้วห้าสิบวันแต่กลับดูเหมือนกับผมไนดะ้รู้เลยว่าไม่มีอะไรดีขึ้นเลยบางวันก็ดีขึ้นบางวันก็ไม่ดีขึ้นนะผมก็บอกคุณแม่แม่ดูไปที่ต้นไม้แม่เห็นใบไม้เริ่มจากใบเล็กๆสีเขียวอ่อนค่อยๆแตกช่อออกมาแล้วก็มีบางใบที่เป็นสีเขียวแก่ สีเขียวแก่ก็เริ่มมีจุดเหลืองๆจากนั้นจุดเหลืองๆก็มากขึ้นสีเขียวแก่ก็น้อยลงจากนั้นมันก็เป็นสีเหลืองทั้งใบจากนั้นก็เริ่มมีสีน้ําตาลมาปนในสีเหลืองจากนั้นสีน้ําตาลก็มากขึ้นเรื่อยๆต่อให้เราจะฉีดพ่นยาเสริมวิตามินแม่คิดว่าใบไม้สีเหลืองจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวไหม ใบไม้ที่มีสีน้ำตาลปนจะเปลี่ยนมาเป็นสีเหลืองทั้งใบเหมือนเดิมไหมเพราะสุดท้ายเมื่อเป็นน้ำตาลหมดทั้งใบแห้งแล้วมันจะหลุดลงนี่คือธรรมชาติของสรรพสิ่งเราคิดว่าร่างกายของเราอยู่ที่สเตจไหนของใบไม้ซึ่งวันหนึ่ง หลุดลงมาแน่ปัญหาไม่ได้อยู่ที่การที่ใบไม้จะหลุดเมื่อไหร่ปัญหาอยู่ตรงที่ว่าคนคนนั้นจะยอมรับความจริงเพราะความจริงไม่เปลี่ยนแปลงแต่ความในใจที่บอกว่าไม่อยากมันไม่เกี่ยวเมื่อมีไม่อยากทุกจะเกิดทันที <c oughs> มีที่ตั้งทันทีไม่ต้องอยากตายเพราะการตายไม่ขึ้นกับอยากแล้วก็ไม่ต้องไม่อยากตายเพราะการตายก็ไม่ขึ้นกับไม่อยากของใครมันเป็นธรรมชาติที่เมื่อกายแตกทาลายหมดการทำงานเสื่อมสภาพลงจะด้วยเหตุใดก็ตามเหตุผมก็ไม่รู้สารพัดท่านว่าพี่ตูนบอดี้สแลม วิ่งจากสุงไงโกโลกยะลาไปจนถึงเชียงรายเป็นคนจิตใจดีถูกไหมจิตใจดีใจเป็นกุศลวิ่งด้วยใจเป็นกุศลวิ่งด้วยหัวใจวิ่งด้วยหัวใจด้วยใจเป็นกุศลตลอดสองพันกว่ากิโลร่างกายบอบชำ้ำไหม เกี่ยวกับจิตใจที่เป็นกุศลมัมยเขาก็ทำงานของเขาเมื่อทำงานหนักความลยลาก็ต้องเกิดขึ้นเป็นธรรมดาไม่มีอะไรโอ้ยส๋าทำบุญทำกุศลขนาดนี้ไม่มีอะไรเกี่ยวกลายก็คือกาย ให้เข้าใจเห็นความจริงรู้จักท่านติชนัทฮั่นไหมขอประธานโทษที่เอ่ยถึงท่านไม่ได้ได้วยความอะไรเลยด้วยความเคารพวันนี้ท่านนอนเส้นโลหิตในสมองตีบขยับตัวไม่ได้ไม่รู้สึกตัวอีกแล้วนิ่งสนิทเท่าที่ผมได้ยินมาก็คือได้เพียงปลอกตาเล็กน้อย นี่คือผู้ที่สอนผู้คนมาทั้งโลกจนถึงกับมีคำว่าท่านเป็นปาดที่สอนแบบเดียวกับท่านอาจารย์พุทธทาสไม่ต้องไปโทษบุญกุศลอะไรไม่ต้องไปโทษวิบากกายนี้เป็นอะไรก็เป็นอย่างนั้นตามความเป็นจริงแต่ไม่มีใครทุกข์กับกายนีนะ้เมื่อปฏิบัติจนเข้าใจความจริง ไม่มีใครทุกข์อะไรกับการเปลี่ยนแปลงของอะไรผมสอนให้ท่านจ้อนั่งสมาธิความคิดจะเกิดขึ้นความคิดก็ดับไปท่านทุกข์อะไรท่านสับสนอะไรกับความคิดเกิดขึ้นความคิดดับไปมีเสียงกระทบมีคนไอมีคนทาของหล่นมีคนลืมปิดโทรศัพท์ดังเข้ามาใจทำไมต้องเปลี่ยนแปลง ถ้าท่านเริ่มฝึกไปอย่างนี้เรื่อยๆวันหนึ่งเมื่อมีการกระทบใจจะไม่เคลื่อนไหวมีการกระทบใจจะไม่เคลื่อนไหวแต่ในที่สุดท่านจะพบความจริงเมื่อปฏิบัติไปสักพักหนึ่งเมื่อมีการกระทบใจยังคงเคลื่อนไหวจนกระทั่ง การกระทบมีแต่เป็นศูนย์เพราะจิตว่างนั่นหละคือที่สุดแห่งทุกข์แล้วนั่นหละคือการปฏิบัติตามอริยมครคมีองค์แปดจนจนพ้นไปไดนะ้ไม่มีใครเป็นอะไรกับอะไร นั่นคือความจริงที่ทุกคนจะเข้าไปถึงได้ถ้าปฏิบัติไปตามความจริงนะเอาละสำหรับคืนนี้นะจะท่านจะได้ไปพักท่านอาจจะรู้สึกว่านี่อาจารย์แน่ใจว่าคิดอะไรไม่ออกเลยไอ้ที่พูดนี้ก็จะตายอยู่แล้ว เวลาผมบรรยายเนี่ยมีศิษย์น้องคนหนึ่งที่ผมเล่าให้ถึงฟังบ่อยๆอ่ะเขาจะอยู่กับผมเลยเพราะผมบรรยายมาเป็นสิบปีเขาจะบอกว่าพี่เนี่ยแล้วเป็นเหมือนพี่น้องพระระบ ด, ด้วยกันเขายื น, นเดินบินาบาทอยู่ข้างหลังผมแล้เรียกพี่น้องกันียพี่นักมวยเนี่ยนะเขาชอบเปีอะไรมาบอกผมเนักมวยเนี่ย เมื <reconnect ing themselves> this? This, everyone, ่อเขาทายหรือไม้ไทยสันขึ้นเวทีนะน็อกโป้งน็อกโป้งขึ้นมาต่อยปังปังปนงปัผู้คนที่นั่งดูหูมันสะใจกันทุกคนอุ้มเต็มที่ทุกคนทุกคนมันกับการขึ้นเวทีแล้วเต็มที่ทุกครั้งแต่ไม้ไทยสันลงมาบอกวันนี้กูต่อยไม่ดีเลยแต่คนดูทั้งหมดเย่เย่เยทุกหมัดเข้าหมดแต่ไม้ไทยสันลงมาบอก ต่อยไม่ได้เรื่องนะเขาบแค่นี้ก็เหลือกินแล้วไอ้คำว่าไม่ได้เรื่องที่ต่อยไม่โดนต่อยไม่ถูกเนี่ยรู้อยู่คนเดียวคนอื่นดูไม่ออกที่กําลังบอกทั้งหมดเนี่ยแล้วก็พูดได้แค่นี้โอ้โหแค่นี้ก็พอมั้งจ้น ก็พอได้นะใชอ